นะโมตัสสะพระขวโติอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโติอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขปริจาคาปัดเสเจวิปุรังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัดสังวิปุรังสุขันติอี ณบัดนี้จักรประธานแสดงพระธรรมเทศนาในมัตตสุขกถาว่าด้วยเรื่องการเสียสละความสุขพอประมาณเพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเป็นการเพิ่มภูลกุศลบุญญยราศี ส่วนทักษิณานุประธานในปัญญาสมวานที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายในค่ำคืนนี้มีทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤรืหัดฝ่ายบรรพชิตนั้นมีท่านประคูวินัยทรวิเชียน วชิระธรรมโมเจ้าคณะสิบพระธรรมกถึกซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังวันก่อนๆไม่มีเวลาเป็นเจ้าภาพเพราะงานไม่ว่างวันนี้ว่างก็เป็นเจ้าภาพยังมีท่านพระเถรานุเถระอีกหลายรูป ซึ่งมีสมณ น, นฉันพร้อมกันเป็นเจ้าภาพในฝ่ายคณะสงฆ์และมีคุณแม่สุภาพเกตม่วงคุณพานทองสอนอิมศาสตร์ท่านผู้มนวยการสุขุมารชาวทวีพันเอกโกษาท่านอาจารย์นวลคำสิงเขียวพง์ คุณจิรวันเป็นจางจารุและคณะญาติธรรมและได้รับเกียตรติจากท่านพันตำรวจเอกสัมฤทธิ์ตรงเต้าผู้รักษาการผู้บังคับการตำรวจนครบาลแปดและมีคุณใบสีบัวเพือนคุณพรพิษล้อสีทอง ที่กล่าวถึงชื่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายท่านที่ไม่มีความประสงค์จะให้เอ่ยชื่อแต่ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลครั้งสำคัญในวันนี้ด้วยคือการบำเพ็ญกุศลจริยาทักษินานุปรทานในปัญญาสมวาน คือทำบุญ50วันในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรพุมิพน์อดุญญเดชหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินมหาภูมิพน์อดุญญเดช เพื่อต้องการจะอุทิศส่วนกุศล น, น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระองค์โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้พลังบุญได้ส่งเสริมให้ชีวิตใหม่ในสัมปรายภพได้ประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเกษณสำราญ จึงได้มาพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้เริ่มโดยการอาราธนาให้ท่านพระเถรานุเถระจำนวนสิบรูปมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีเป็นประธานได้สะดับประกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในบัดนี้ก็จะที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาการให้มีพระธรรมเทศนานั้นมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเหตุผลแห่งการบาเพ็ญกุศลว่าการบาเพ็ญกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จํานงหมายเป็นประการใด จึงได้อาราธนาให้พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันดัรนั้นพระธรรมเทศนานั้นจึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะคอยส่งทางคือส่งวิธีการให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน คือห้าสิบวันหรือการบำเพ็ญกุศลสัตตมาวานร้อยวันนั้นจุดประสงค์สำคัญอยู่ตรงไหนเมื่อทราบแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตใจทำให้ถูกต้องทำให้ถูกวิธีทำให้มีระเบียบทำให้เรียบร้อยแล้วการกระทำของเราก็จะมีผลมาก โดยเหตุนี้บุญญาพิธีใหญ่ๆกุศลพิธีใหญ่ๆต้องให้มีการเทศนาเป็นเบื้องต้นอย่างเช่นในค่ำคืนนี้การบาเพ็ญกุศลเพื่อ น, น้อมถวายในหลวงรัชการที่เก้านั้นเป็นเรื่องที่เราทุกท่านทำด้วยความเต็มใจ เพราะเรารักเราอะไรในพระองค์แม้ว่าจะสวรรคตไปแล้วถึงห้าสิบวันแต่ว่าในจิตใจนะก็ยังอะไรอาวรณ์ละลึกนึกถึงพระคุณความดีต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เมื่อครั้งยังมีพระชนมอาชีพอยู่กล่าวได้อย่างเต็มปากว่า สิ่งที่พระองค์ทรงทำไว้นั้นเป็นประโยคอย่างอนเนกอั น, นันเราจะพัลนาเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะมีจำนวนมากมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชีวิตของปวงชนชาวไทยเพราะคุณงามความดีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้นั้น จึงทำให้ประชาชนทุกวันนี้เดินทางเข้ามาที่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายบังคมพระบรมศพวันวันหนึ่งนี้เป็นจำนวนหมืน่นและในตอนนี้เมื่อรวมแล้วก็เป็นล้านนอกจากจะมีผู้เข้ามาถวายบังคมพระบรมศพแล้ว ยังมีประสกนิกรราศรดรของพระองค์แจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพเป็นคณะคณะปัจจุบันนี้แปดพันกว่าคณะด้วยกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะต้องมีการจัดสรรเพื่อจะได้รู้คิวกันว่าคณะหนึ่งของใครคณะที่สองของใคร ที่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้ลำลึกนึกถึงพระเดชพระคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นจนวน ม, มากอย่างนี้อาจจะมีบางท่านเกิดความสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยจึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รัก เป็นที่เทิดทูนเป็นที่เคารพ บ, บูชาของประชาชนถึงเพียงนี้ถ้าจะว่ากันแล้วมีคำตอบมากมายหลายด้านแต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งตรงกับพระพุทธพจน์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมบทขุททกนนิกายที่อัตมภาพยกขึ้นเป็นอุเทศในเบื้องต้นนั้น ซึ่งมีใจความว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้นซึ่งแปลความว่าถ้าเห็นสุขอันยิ่งใหญ่เกิดได้เพราะการเสียสละสุขเล็กน้อยหรือสุขพอประมาณผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันยิ่งใหญ่ก็พึงสละสุขอันเล็กน้อยเสีย หัวใจของพระพุทธพจน์บทนี้อยู่ที่การเสียสละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมินมหาภูมิพลอดุญเดชพระองค์ทรงมีความเสียสละมีความเสียสละตั้งแต่ตัดสินพระไทยที่จะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์ ต่อจากพระบรมเชษฐาที่ราชคือรัชกาลที่แปดเมื่อพระองค์ได้สำรวมกำลังใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทรงกระทาภารธุระอันสำคัญที่ต่างประเทศของพระองค์แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาในปีพุทธศักราช2493 เริ่มด้วยการทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบร ม, มศพล้นเก้ารัชกาลที่แปดแล้วหลังจากนั้นก็ทรงประกอบพิธีพิเศษสมรสต่อด้วยทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศกต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่เดือนเมษาต่อถึงเดือนพฤษภาปีพุทธศักราช2493แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับไปต่างประเทศเพื่อให้ในายแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้ของพระองค์ได้ทำการตรวจตราดูพระวรากาย ที่เกิดจากการบอบช้ำเพราะประสบอุปัติเหตุเสด็จไปทรงรักษาพระวรกายอยู่ได้ไม่นานพระองค์ก็ล้ำลึกนึกถึงถ้อยคําที่ประชาชนได้ตะโกนเสียงดังในวันที่พระองค์จะต้องสเสด็จจากประเทศไทยไปรักษาพระอนาคามิที่ต่างประเทศ คือตะโกนขึ้นมาว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนเสียงนี้กล้องอยู่ในพระโสดของพระองค์ตลอดมาฉะนั้นพระองค์ก็ลมลึกนึกว่าเราจะต้องไม่ทิ้งประชาชนเมื่อเห็นเป็นการสมควรพระองค์ก็เสด็จกลับมาเสด็จกลับมาแล้ว ก็สรงหลรึกนึกถึงโครงการแรกที่อยากจะทำคือโครงการทำถนนไปยังหมู่บ้านของประชาชนผู้มีน้าใจหมู่บ้านนั้นชื่อหมู่บ้านห้วยคดประครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จซึ่งก็ทำให้พาหนะของพระองค์นั้นต้องตกลมและก็วิ่งต่อไปไม่ได้ ประชาชนที่นั่นก็มาช่วยกันชุดพรานเของพระองค์ให้พ้นจากลมภาพทั้งหมดยังปรากฏในพระราชลัยพระองค์ก็ทรงหม่มั่นปั้นประไทยไว้ว่าถ้ามีโอกาสเมื่ อ, อไหร่จะกลับมาพบเนี่ยประสบนิกกรผู้ใจดีในหมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมา แล้วก็ทำให้เกิดโครงการสําคัญขึ้นคือโครงการตัดถนนจากอาเภอหัวหินไปสู่หมู่บ้านห้วยคด ต, ต่อมาหมู่บ้านนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหมู่บ้านห้วยมงคลเป็นมงคลจริงๆก็คือมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของพระองค์นั้น เริ่มต้นจากอำเภอหัวหินจากอำเภอชะอำเป็นส่วนใหญ่อําเภอหัวหินพระองค์เสด็จไปที่เขาเตา่าเห็นประชาชนมีปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้เพราะบริเวณที่นั่นใกล้กับทะเลจะขุดบ่อน้ำน้ำก็กลอยจะเก็บน้ำฝนก็เก็บไม่ได้เพราะมันเป็นดินทราย แล้วพระองค์ก็ทรงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินว่าจะพัฒนาดินอย่างไรจึงจะสามารถเก็บน้ำฝนซึ่งเป็นน้ำที่ดื่มได้ใช้สาสิ่งอื่นๆได้อีกมากมายในที่สุดพระองค์ก็ทรงเรียกที่ปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมชนะระทานเจ้าหน้าที่ ก็ได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาบริเวณตรงนั้นจนกระทั่งในที่สุดประสบความสําเร็จมีแอ่งเก็บน้ําแอ่งแรกแห่งแรกที่อําเภอหัวหินก็คือแอ่งเก็บน้ําเขาเต่าประชาชนที่ลําบากมาเป็นเวลานานเมื่อมีแอ่งน้ําอย่างนี้เขาให้ก็เหมือนปลาได้น้ํา รู้สึกดีใจมีความดีใจว่าต่อไปนี้ชีวิตก็จะมีหวังแล้วจะได้อาศัยน้ำจากแอ่งน้ำตรงนี้สำหรับดื่มสำหรับอาบและสำหรับลดพืชพันธัญญาหารซึ่งคนเหล่านั้นก็มีความประสงค์ต้องการจะทำไร่ต่างๆอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าประชาชน พออยู่ดีมีสุขบ้างพระองค์ก็ทรงเริ่มโครงการสำคัญทางด้านจิตใจเมื่อเห็นว่าทางกายนั้นพอมีความสุขบ้างแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มโครงการให้ความสุขทางจิตใจแก่ประชาชนโดยทรงริเริ่ม สร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นชื่อว่าวัดเขาเต่าวัดเขาเต่านี้เริ่มทรงสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เป็นต้นมาแต่เดิมทีพระองค์กทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ทรัพย์ส่วนพระองค์2แสนกว่าบาทนั้นแต่เดิมทีมีพระประสงค์ต้องการที่จะสร้างโรงเรียนด้วย แต่ว่าพระองค์เห็นว่าถ้าวัดมีโรงเรียนมีอย่างนี้ถือว่าเป็นความดีพร้อมในที่สุดพระองค์ก็ทรงสร้างวัดขึ้นมาก่อนชื่อว่าวัดเขาเต่าสร้างวัดเสร็จแล้วหาพระไปจำปรรษาไม่ได้ในที่สุดกเรนิมนพระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระราชาคณะแต่เดิมนั้นท่านอยู่ที่วัดบวร ท่านไปดูดงสัญจรตามที่ต่างๆพอทราบพระราชประสงค์ท่านก็ตัดสินใจไปเป็นผู้นำวัดเขาเต่าจนกระทั่งวัดนั้นได้ดำเนินการตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายท่านเจ้าุณรูปนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า ชีวิตของประชาชนนั้นจะต้องอาศัยความสุขสำคัญทั้งสองด้านคือสุขกายด้วยสุขใจด้วยนอกจากนั้นก็มีโครงการต่างๆขยายออกไปจากอำเภอห้วยหินขยายออกมาทางอำเภอชอำมมีโครงการพัฒนาที่ดินหุบกระพง ซึ่งที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินที่ใช้การไม่ได้เราเรียกกันว่าที่ดินเสื่อมโทรมเพราะสภาพดินไม่พร้อมที่จะปลูกสิ่งต่างๆในที่สุดพระองค์ก็ทรงพัฒนาใหม่พัฒนาแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นไปจับจองเป็นเจ้าของโดยแบ่งเป็นแปลงแปล ง, ป ล, งละยี่สิบห้าไร่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าญจะคุณพระพุทธวรยานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะภาคสิบาเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ปี2518พระเดชพระคุณทัญญจะคุณพ่อก็ยังมีโอกาสไปในร่วมพิธีเปิดโครงการให้พี่น้องชาวอำเภอชะอํำบริเวณนั้น เข้าไปเป็นเจ้าของที่ดินคนละแปลงคนละแปลงที่ดินเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายแต่ให้ทุกคนจับจองเป็นเจ้าของทํากินได้โครงการแต่ละโครงการกว่าจะสําเร็จได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยใช้เวลาเป็นสิบสิบปีแต่พระองค์ไม่ทรงย่นระยอท้อถอย พระองค์เป็นนักสู้ต้องการที่จ ะ, ะต้องการที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างนี้เพราะอะไรเพราะได้ทรงตั้งพระไทยไว้ตั้งแต่วันที่ขึ้นครองราชเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2493แล้ว คือก่อนที่พระองค์นั้นจะประกาศความในประเทศไทยเรียกกันว่าประถมบรมบารารโชโองการนั้นพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิฐานก่อนคือคือว่าตั้งสัตว่าเราเนี่ยจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิฐาน แล้วก็ประกาศประถมบรมราชโองการพระองค์ทรงทาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ละเลยคำสัตยาธิฐานพระองค์ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระองค์ได้ตั้งสัตย์เอาไว้ทุกประการเลยทีเดียวว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เนื่องจากว่าปัญหาที่บ้านเมืองของเรานี้มีมากเป็นปัญหาหนักเป็นปัญหาใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทุกพระไทยแต่ประการใดเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตของพระองค์นั้นมีประชาชนเป็นเดิมพันหน้าที่ของพระองค์นั้นมีประชาชนเป็นเดิมพัน ตราบใดถ้าประชาชนยังทุกข์ยากลำบากก็เป็นอันว่าพระองค์จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาต่างๆอยู่เรื่อยไปที่ชี้แจงแสดงมานี้เพื่อต้องการจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าการที่ในหลวงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยแม้พระองค์สวรรคตไปแล้วถึงห้าสิบวัน ปัจจุบันยังมีผู้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์นั้นเจ็ดแปดพันรายไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแปดพันกว่าคณะนี้หนึ่งปีไม่ทราบว่าจะมีโอกาสบำเพ็ญกุศลได้ครบหรือไม่ จึงทำให้เราต้องคิดว่าพระองค์ทรงมีบา ร, รมีมากมายอย่างนี้เกิดจากอะไรเกิดจากทรงเสียสละนั่นเองคือสละความสุขส่วนน้อยของพระองค์ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินสละความสุขเหล่านั้นทั้งหมดเพราะทรงมองเห็นว่า จะได้ความสุขแก่คนเป็นล้านล้านคนคนที่ว่านี้ก็หมายถึงคนไทยหรือปวงชนชาวไทยที่จะได้ความสุขอันเกิดจากความเสียสละของพระองค์ความเสียสละนี้เองจึงเป็นที่รักสักการะบูชาของมหาชนอย่างกว้างขวางเหมือนกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น ที่มีผู้บูชาสการะมากพระองค์เสด็จดับขันทบาริพานไปได้สองพันกว่าปีปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้บูชาสการะพระองค์ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะความเสียสละของพระองค์ที่เทศอย่างนี้คิดเอาเองอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลย แต่เป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตัดกับพิกสุท์ทั้งหลายเรื่องมีอยู่ว่าที่เมืองเวสาลีเกิดมีภัยกับชาวเมืองทำให้ประชาชนชาวเมืองมีปัญหามากคือคนนเมืองเวสาลีนั้น ประสบพบกับภัยใหญ่ๆถึงสามภัยด้วยกันภัยแรกเรียกทุกภิกขภัยก็คือว่าภัยที่เกิดจากความยากจนสองอมนุษภัยภัยที่เกิดจากอิทธิพลประการที่สามอีกภัยหนึ่งก็คือโรคภัย เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกภิกษภัยภัยที่เกิดจากความจนคนขาดแคลนอาหารขาดแคลนเสื้อผ้าขาดแคลนยุกยารักษาโรคเมื่อโกรธเกิดโรคร้ายขึ้นไม่มียุยารักษาไม่มียารักษาในที่สุดก็ล้มตายกันท่านกล่าวว่า ชาวกรุงเวสาลีนั้นล้มตายเป็นจำนวนมากมีซากศพเกลื่อนเมืองไปทีเดียวส่งกลิ่นเหม็นครุ้งไปหมดเอาพวกมีอิทธิพลปนอิทธิพาณคนลังแกรประชาชนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะมีซากศพมากก็ทำให้ประชาชนทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นอันว่ามีความทุกข์มากเพราะภัยทั้งสามประการที่ว่ามานั้นแล้วไในที่สุดแก้ไขอย่างไรก็แก้ไม่ได้เจ้าลิชวีได้ทราบอนุภาพของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีอนุภาพมากปัดเป่าความทุกข์ต่างๆให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงได้ส่งตัวแทนไปกราบอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาที่กรุงราชคฤห์ราชคฤห์กับเมืองเวสาลีนั้นอยู่ใกล้ๆกันมีชายแดนติดกันพอพระองค์ทรงทราบว่าหมู่ประชาชนกำลังได้รับความลำบากพระองค์ก็ให้พระอ น, นุ์ได้นำข่าวนี้แจ้งกับพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารพอพระองค์ทราบก็ตระเตรียมขบวนส่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาส่งถึงแม่น้ําคงคาข้ามแม่น้ําคงคาแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายเวสาลีพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นจากแม่น้ําคงคาเสด็จเข้าสู่ เขตแคว้นแดนเมืองเวสาลีแล้วก็ปรากฏเหตุอัศจรรย์ฝนก็ตกลงมาน้ำฝนก็ชำระชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกลื่อนไปหมดเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไปหมดน้ำฝนก็พัดพาเอาสิ่งสกปรกไหลลงไปในแม่น้ำคงคาบ้านเมืองก็เริ่มสะอาดขึ้น แต่ประชาชนก็ยังขวัญผวาเพราะกลัวพวกอมนุษย์อมนุษย์ที่เป็นพวกอิทธิพลปนอิทธิพาณ น, นั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอามนุษย์เนี่ยที่เป็นอาทิตย์สมนานกายมาหลอกมาหลอนทําให้ประชาชนต้องเสียขวัญ น, นั้นยังไม่มีการปราบยังไม่มีการแก้ไข ในที่สุดพระองค์ก็ได้แสดงรัตนปาลิศให้พระอ น, นุนได้ศึกษาคือท่องจำจากพระองค์ท่องจำจนขึ้นใจแล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงทำน้ำพุทธมนรับสั่งให้พระอนุนนั้นประพรมน้ำพุทธมนตรตามที่ต่างๆทั่วเมืองเลยทีเดียวเมื่อพระองค์ประพรมน้ำพุทธมนต์เรียบร้อยแล้ว ก็เกิดลมแรงมากพือพัดเอาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหมดไปจากเมืองเวสาลีประชาชนก็อยู่ดีมีสุขพอทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่มาเสด็จมาแก้ปัญหาทำให้มีชีวิตชีวาดีขึ้นประชาชนทั้งหลายก็มาบูชาสการะ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการใหญ่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้า็เสด็จกลับมาสู่กรุงราชคฤห์ฝ่ายกรุงราชคฤห์เนี่ยพอได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาประชาชนก็ดีใจต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระเถรานุเถระเป็นการใหญ่ทำบุญใหญ่ฉลองที่พระพุทธเจ้ากลับมา เมื่องานบุญผ่านไปเนี่ยพระพิสุสมมเนนที่เห็นเหตุการณ์คือเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นที่พระพุทธองค์นั้นได้สอนพุทธมนต์แก่พระ อ, อ น, นุนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาที่กรุงราชครึกพระเนนก็มาพูดถึงกันว่ามีประชาชนบูชาสการะพระบรมศาสดามากเหลือเกิน ไม่เคยเห็นว่าจะมากมายอย่างนี้ทั้งฝ่ายเวสาลีทั้งฝ่ายเมืองราชครึกมีประชาชนทุกหมู่เราบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินที่เป็นเช่นนี้คงจะเป็นเพราะอานุภาพของพระองค์เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จมา ไต่ถามว่าพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันพระเหล่านั้นก็กลาบทูลว่ากำลังสนทนาถึงอนุภาพของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าที่ประชาชนทั้งหลายให้การบูชาสการะมีศรัทธามีความเลื่อมใสในตถาคตนั้นไม่ใช่เป็นเพราะอนุภาพแต่เป็นเพราะความเสียสละ ที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตชาติพระเนนก็เลยทูลถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงองค์สมเด็จบ ร, รมจอมไตรก็เลยตัดตอบว่าเอาถ้าอย่างนั้นขอให้เธอจงตั้งใจฟังแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องแต่เบื้องหลังว่าแต่ก่อนนั้นพระองค์เคยเกิดเป็นพรามชื่อว่าสังขพาล สังฆปา์มนี้มีศรัทธาในการพัฒนาสิ่งต่างๆพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาถนนหนทางพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนท่านเป็นคนที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พอมีเวลาจากงานบ้านก็เข้ามาวัดถามว่ามาทำอะไรมาปัดกวาดทำความสะอาดลานเจดีย์บ้าง ทำการซ่อมแซมสถูปวิหารการปะเลียนบ้างก็เหมือนอย่างเนี้ยถ้าเกิดมีโยมสักท่านหนึ่งเข้ามาที่วัดประยุรวงศ์สนใจเรื่องกาสนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วก็มาถามพระพิสุสัมเนนถามว่าปัจจุบันเนี้ยท่านเจ้าคุณจเจ้าวาดเนี้ยท่านกําลังจะทําอะไรพัฒนาอะไรคือมีความสนใจเรื่องบุญประเภทนี้ พระเนรก็จะตอบว่าโ อ, โอพระเดศพระคุณหนวงพ่อจเจ้าวาดท่านกําลังจะวาดภาพติดผนังอุโบสถกําแพงอุโบสถนี่แต่เราเห็นขาวๆนี่ทางซ้ายทางฝาทางข้างหลังของเราเนี่พระเดศพระคุณท่านเจ้าคุณจเจ้าวาดท่านกําลังจะวาดเป็นภาพทศชาติ และก็เป็นภาพปฐมมสมโพธ์ด้านหลังของญาติโยมนั้นถ้าจะวาดปานพระชนะมานซ้ายฝานี้จะวาดเกี่ยวกับเรื่องทศชาติแล้วก็เป็นการวาดโดยการใช้วัสดุอย่างดีอย่างนี้พอโยมทราบแล้วก็ไม่มองข้ามไม่มองข้ามบุญกุศลที่ตนได้สดับรับฟังอย่างเนี้ ก็เหมือนกับสังกพรามณ์ผู้นี้แกมีความสนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลเพราะเห็นว่าบุญกุศลเนี่ยจะต้องทำไว้บ่อยๆดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันบุญกรรมทำได้ทำไว้เถิดก่อให้เกิดโชคชัยไม่ไร้ผลทั้งทานศีลภาวนาสาธุชนอย่าให้จนอย่างไรตั้งใจตรง ทำบ่อยๆค่อยคุ้นกับบุญนั้นทุกวีวันทําไว้อย่าให้หลงอันสินทานภาวนาต้องมั่นคงบุญจะส่งเสริมให้ได้สุกเอ่ยสังฆามก็มีความสนใจในเรื่องบุญกุศลแล้วในที่สุดก็สละสิ่งต่างๆที่มีอยู่ไม่มากนักแต่ว่าวทำบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่องเมื่อตายจาก ชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ในชั้นต่อๆไปเรื่อยๆมาเกิดดีทีก็คือเกิดเป็นสิทธัตถกุมารเป็นมหาบุรุษเป็นพระโพธิสัตว์และได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระบ ร, รมศาสดาเนี่ยได้เล่าเรื่องนี้ให้พระพิสุสมมเณีได้ฟังพระเนนฟังแล้วก็เลยมีความเข้าใจ ถ้าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงนั้นเป็นใจความท่านสั้นกล่าวถึงเรื่องว่าความสุขใหญ่จะเกิดขึ้นได้เพราะความเสียสละสุขเล็กๆน้อยๆก็แสดงว่าความสุขนั้นมีสองขนาดสุขอย่างแรกเราเรียกกันว่ามัตตาสุขสุขพอประมาณก็คือสุขเล็กๆน้อยๆสุขที่ได้จาก ความมีอะไรที่มันเป็นการส่วนตัวมีราบมียศมีฐานะมีตำแหน่งส่วนตัวแล้วเราเองก็เอาความสุขเนี่ยกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ยอมรับรู้ว่ามันยังมีความสุขอีกชนิดหนึ่งสุขชนิดนั้นท่านเรียกกันว่าวิปุลสุขแปลว่าสุขที่ยิ่งใหญ่ไพยบูรยิ่งกว่ามัตสุข ฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยท่านมองเห็นว่าสุขอันยิ่งใหญ่นั้นมันดีกว่าสุขที่เล็กน้อยทั้นควรทำเหตุให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ดีกว่าเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระปัญญาพระองค์จึงทรงรู้ว่า สุขยิ่งใหญ่คือสุขที่เกิดกับประชาชนทั้งหลายนั้นดีกว่าดีกว่าที่จะปล่อยให้พระชนชนมาชีพของพระองค์จมอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆเมื่อพระองค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีน้ำประทยเปลี่ยนไปด้วยความกรุณาทำโครงการพัฒนาต่างๆขึ้นมามากมายหลายพันโครงการ ดังที่เราท่านทั้งหลายติดตามผลงานของพระองค์อยู่และสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเรียกกันว่าเป็นพระราชกรณียกิจเตือนจิตสกิจใจเราท่านทั้งหลายให้รู้สึกอะไรในพระองค์แม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปได้ถึงห้าสิบวัน หรือต่อไปจะเป็นร้อยวันพันวันอย่างไรก็ตามทีพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้นั้นก็จะยังอยู่คู่กับจิตใจของเราไม่เสื่อมคลายไปไหนแล้วเราทั้งหลายก็จะได้ตั้งใจเดินตามรอยของพระองค์ต่อไปโดยการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเป็นความสุขไม่มีคุณค่าสาละอะไรตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเดินตามรอยพ่อ แล้วก็จะมีความสุขมีความเจริญในชีวิตดังมีใจความที่ได้ชี้แจงแสดงมาอิมินากะตาปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลที่เกิดจากความกตัญญูรู้คุณของท่านทั้งหลายที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรามินมหาภูมิพลอดุลยเด จึงได้มาพร้อมใจกันร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลให้เป็นไปอยู่ในบัดนี้เพื่อ น, น้อมเคล้าน้อมกระหม่อมถาวายเป็นกุศลลาสีเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้กุศลบันดาลให้พระองค์ได้ประสบความสุข ตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปายภพให้เป็นไปตามเจตนาปรับของเราท่านทั้งหลายทุกประการพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุิยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้